เมื่อนหร่ฉันนี่ห้องฝนหยุดตกทั้มันสะแดดปะพ่อพ่อจะนี่ห้อ ง, ง, ดดอออง เ, เดาเลยปะเนี่เอ๊ะมันจะหอนบ่มันสิฝนตกบ่คือมันก็มันสิหนาวอีกปวดเลยฉันนี่หลวงพ่อเนี่ยเป็นเป็นกรมอุตุประจวัเนี่ยการ <c oughs> ว, ว่าฝนหยตกแหงน่ยมันห้องเอยเนีย้อง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 รัธพรามลก็ยากจนแต่ก่อนก็มีอันจะกินพอต่อมาเนี่ยยากจนพอยากจนลงไปเนี่ยภาษาลิบุตรก็เดินไปแต่รธัธพาหมก็รู้ว่าภาษาลิบุตรจะเดินมาโปรดเพื่อให้ราตพรามได้ทำบุญแต่รัตพรามณ์ก็คิดในใจโอ้ลูกของเราเนี่ยคงไม่รู้ว่าเราจนแต่อีกสักวันหนึ่งละ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 วันนั้นแหละพระพุทธองค์บอกเออเอาทางงั้นสารีบุตรเป็นภาระให้ได้ไหมบวชพราหมณ์ลาตพรามา์เนี่ยได้ไหมได้พระเจ้าข่าเออเอาไปไปบวชนะจัดการหาบริการให้พระสารีบุตรก็รับเป็นภาระเอยรับเป็นภาระที่จะไปจัดบริการให้พอจัดบริการให้เสร็จเรียบร้อยแล้วพระสารีบุตรก็บวชให้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 ทำดีกับคนทำไม่ดีเนี่ยต่างกันอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆทกฐานนะขนา้าราชกาญาติโยมทุกคนนะให้ประกอบแต่คุณงามความดีให้สร้างแต่บุญกุศลบุญกุศลนะจะนําพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญนะต่อเ น, นี้องไปพระสงฆ์จ้าหนุมโมทธนาให้พร